บุกทูหกสิบที่ธนาคารอบนบนาคาดิฉันต้องการเปิดบัญชีฉันจะเปิดบัญชนี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน และนี่ที่อยู่ของดิฉันและนี g คือทฉันและนี่คือที่อยู่ของดิฉันแลองดิฉันแลของดิันแีของดิฉันแีของดิฉันและนี่คือที่อยู่ของดิฉันและน k, k o er n t อที่อดิฉันแองินอันแีของดิฉันัีของดิฉัน ดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีนช็คเดินทางฉันต้องการแลกเช็คเดินทางฉันต้องการแลกเช็คเดินทาง j ั g ต n s k ก r รร้องขอใบแจ้ ง, ง s e s บัญค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะค่าธรรมเยมเท่าไห่คะค่รรมเนีอมเอท่ร่คะเี่ไห่านย่คะ บูเด skal ย้า underskriva ดิฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันฉันรอ n งิน e อนมาจากประเทศเ n อรมันฉันทอัอเงิทัอิฉันเงินเทศเงินาหรืยอังะยัง ดิฉันต้องการแลกเงินฉันต n องการเงินดอลลาร์ e หรัฐฉันิดฉันต้องการเงินดอลลาสหรัฐฉันต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐองการอลลาร์สหรัฐฉตกรา้องกงหก์อนต้ห สามารถถอนเงินได้เท่าไร่คะบุหรี่เงินได้เท่าไรคะใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคะวิลก์เค้ดิตคอร์ทกันมันบริคเก้กรุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด